ชื่อพิมพ์เจ้าค่ะครั้งครั้งล่าสุดที่ส่งกันบ้างหลวงตาค่ะแล้วหลวงต า, าพูดถึงยกตัวอย่างตอนที่หลวงตาไปอินเดียเจ้าค่ะแล้วบอกว่าถ้ารู้เหรียญก็ไม่ตกเหรียญตกถึงไม่รู้นูฟังแล้วก็นอนไก่น้ำผักมาสองอาทิตย์แล้วเจ้าค่ะ เพราะว่าไม่รู้ว่าจะปล่อยตัวรู้ยังไงโดยปกติเนี่ยมันก็เลยมีอยู่สองโหมดก็คือเวลาที่ทำงานคุยกับคุณน้นคุณนี้อย่างเงี้ยก็คือก็ไม่รู้อะไรเพราะว่าทำไปตามหน้าที่ตามปัจจุบันของเราแต่ว่าพอมีสมาธินิดนึงเนี่ยมันมันก็จะรู้แล้วมันก็จะติดเกาะอยู่กับไอ้ตัวรู้เนี่ยเจ้าคะ่ะ ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็จะรู้ในสภาวะที่มีอะไรเกิดขึ้นและในขณะที่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในขณะปัจจุบันนั้นเนี่ยมันมีอีกตัวหนึ่งที่เห็นได้ก็คือตัวที่ชอบรู้คือไม่ว่าไอตัวชอบรู้เนี่ยเจ้าค่ะไม่ว่ามันจะสุขมันจะทุกข์หรือมันจะเฉยเฉยเนี่ย มันจะตามติดกับไอ้ตัวรู้ตัวแรกพอมันรู้ปุ๊บเนี่ยตัวที่สองที่ตามมาติดติดเลยก็คือมันมีความชอบอยู่ในไอ้ที่รู้นั้นนะ่ะคือชอบว่าฉันได้รู้คือเวลาที่รู้เนี่ยมันจะมีสามรู้จริงๆรนะเจ้าคะรู้แรกเนี่ยคือรู้ว่า ม, มันมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บไอ้รู้นั้นเนี่ยหมดไปแล้วแต่ไอ้ที่ตามมาติดติดเหมือนเหมือนคู่กันเนี่ยก็คือตัวชอบชอบที่ได้รู้ มีความพอใจที่ได้รู้แล้วในขณะที่มีตัวรู้มีความพอใจที่อีกตัวหนึ่งติดเนี่ยมีอีกตัวหนึ่งก็คือสภาพรู้เฉยๆรู้ว่ามันมีตัวรู้และตัวที่ชอบที่รู้แต่มันก็จะเป็นเฉพาะที่ที่เรียกว่าปฏิบัติอยู่จิตเป็นสมาธิอยู่แต่ไอ้ช่วงที่ทํางานในกิจวัตรประจําวันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ก็ไม่ได้สนใจก็จะไม่รู้ไอ้ตัวพวกนี้เหมือนกันทีนี้เนี่ย ปัญหาต่อมาไอ้ปัญหาต่อมาเจ้าค่ะคือสภาวะหนึ่งที่ที่มันเห็นได้ชัดแล้วก็เป็นอยู่ประมาณเกือบอาทิตย์นึงแล้วเนี่ยก็คือมันเหมือนกับว่ามันได้เห็นวงจรชีวิตตัวเองว่ามันเป็นแบบเนี้ยคืออุปมาเนี่ยเหมือนกับคนที่คนที่ขี่เครื่องบินขับเครื่องบิน พอขับเครื <im podob skulle> ่องบินไปสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าไอ้สัมภาระทั้งหลายแหละที่ขนมากับเครื่องบินเนี่ยมันเพียงพอแล้วมันไม่ต้องการแล้วก็เอาไอ้สัมภาระที่ขนมากับเครื่องบินเนี่ยทิ้งๆิ้งทิงทิลงไปแล้วนักบินคนนี้ก็รู้สึกว่าไอ้เครื่องบินลํานี้ก็ไม่ต้องการแล้วเหมือนกันเหมือนกับร่างกายอันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเออสุดท้ายแล้วมันก็คือไม่ใช่ของเราเราก็ สละมันไปได้เหมือนกับนักบินที่จะสละเครื่องบินลนํานี้แต่สิ่งที่มันเห็นก็คือว่าไอ้ตัวนักบินคนนี้ยมันไม่เคยสละตัวเองคือมันสละของได้สละเครื่องบินได้แต่มันไม่สละตัวเองมันไม่สละตัวเองยังไงก็คือว่ามันมีไอ้ล่มชูชีพเนี่ยติดอยู่กับตัวมันคือพอเครื่องบินลําเนี่ยมันทิ้งไปปุ๊บอ่ะมันก็ดีตัวเองจากไอ้เครื่องบินลําเนี้ยแล้วก็ไป ปุ๊บอยู่ในไอ้เครื่องบินลำใหม่และไอ้ความสามารถที่มันขี่เครื่องบินได้หรือขับรถได้มันก็ขับเคลื่อนต่อไปได้ก็เลยเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยมันมีไอ้ตัวล่มชูชีพเนี่ยแหละที่มันติดอยู่กับจะว่าตัวเราก็ไม่ใช่จะว่าเราก็ใช่ประมาณนี้ค่ะเจ้าค่ะก็เลยว่าเอ๊คือไม่รู้ว่า ไม่รู้ว่าจะปล่อยตัวนี้ยังไงแต่ก็คิดเอาว่าเอ๊หรือว่ามันก็คือก็ต้องทำอย่างที่เราทำอย่างเนี้ยปฏิบัติไปต่อเนื่องรู้ไปต่อเนื่องอยู่อย่างนั้นอ่ะจนมันถึงเวลาของมันมันอาจจะต้องแบบเห็นทุกข์จริงๆเพราะว่ามันยังมันยังชอบอยู่ยังไงมันก็ยังชอบอยู่เจ้าค่ะไอ้ตัวชอบนี้ก็ไม่ใช่เรานะแต่มันก็ มันก็เป็นตัวเราอีกเหมือนกันที่ไอ้ชอบที่ยังรู้อยู่รับรู้อยู่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะจะถามอะไรไมันจะถามอะไรจะถามว่าโอ้อสุดท้ายแล้วก็คือกลับไปทบทวนเรื่องมรคแปดกับบารมีสิบแล้วก็เพียรตามนั้นต่อไปอย่างนี้หรือเปล่าเจ้าค่ะบ่ อยู่มันอย่างนี้เนะี่ยไม่ต้องทาอะไรแล้วจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นยังไงเราจะให้มันเป็นอะไรนะ่ะไม่ต้องคิดว่ามันจะวางและไม่ต้องคิดว่าเราไม่ยอมวางอย่าไปคิดว่ามันเราจะพยายามวางแล้วมันก็มายอมวางมันจะวางก็ช่างมันไม่วางก็ช่างมันนี่มที่เกี่ยววะ ว่าธรรมชาติของธาตรู้ก็ได้แต่ได้แต่รับรู้ที่ตัวตนไม่มีแต่ธรรมชาติรู้ไม่มีตัวตนมีแต่สิ่งที่ถูกรู้ตัวตนของผู้รู้ไม่มีไม่ผู้รู้ไม่มีตัวตนมีแต่ความรู้ดังนั้นเนะี่ยความรู้ไม่ใช่ว่าไปรู้ด้วยในความที่อาการที่ไปรู้เนี่ยอาการที่ไปรู้ไม่ใช่ว่าเป็นธาตุรู้ไม่ใช่เป็นธาตุรู้เพราะธาตุรู้เนี่ยมันวางมันก็รู้ไม่วางก็รู้ แต่การที่พยายามไปรู้เนี่ยเราเราบอกเองได้บอกว่ามันมีตัวพยายามไปรู้ทํายังไงมันไม่ปล่อยแล้วใครลจะรู้ว่ามันมีตัวพยายามไปรู้รก็บอกได้ว่าอืก <potato. S 1> <paths. S 2> ็เนี่ยมันไม่ยอมปล่อยแล้วใครบอกได้อีกว่ามันไม่ยอมปล่อยแล้วก็บอกได้ว่ามันมีล่มชูลจี้พยายามจะเปลี่ยนแล้วใครบอกได้อีกว่ามันมันเปลี่ยนแล้วมันไปหาตัวใหม่อยู่เรื่อยเลยแล้วก็บอกให้ตลอดเลยวันนี้มันไม่ยอมปล่อยไม่ยอมปล่อยแล้วใครล่ะเป็นคนรู้อ่ะ เราอาจจะไปแก้ไขแต่อาการที่ถูกรู้ให้มันปล่อยแต่ที่เราพูดมาทั้งหมดอ่ะมันมีผู้รู้มาตลอดเลยไอ้ผู้รู้เนี่ยว่ามันไม่ปล่อยน่นแน่ทําไมไม่อยู่กับพูดก็ไม่แค่รู้อันนั้นนะไม่งั้นเราจะรู้ได้ไงว่ามันไม่ปล่อยมันพยายามแล้วก็เปลี่ยนไปอีกมันก็รู้อยู่ดีแน่ยพยายามพยายามไปทํางานแล้ว ไม่สนใจมันแล้วมันเลยไม่รู้อะไรทำไม่รู้ตัวตลอดเลยว่ามันไม่รู้อะไรแล้วกลับมาปุ๊บพอไม่มีงานทำมันก็มารู้อีกแล้วบอกให้ตลอดเลยไอ้นั่นแน่คือพุทธะที่บอกได้บอกได้ตลอดเลยเนี่ยแต่เราเนี่ไปเอาผิดตัวเราจะไปเอาไอ้ตัวที่ถูกรู้ให้มันแยกออกจากกาันจะพยายามให้ตัวที่ถูกรู้ให้มันปล่อยอะไรให้ได้ แล้วจะพยายามดึงไงไอตัวที่ที่มันปล่อยแล้วให้ตัวมันออกมาจากอิสระอะไรให้ได้ต่อให้มันเนี่ยไอตัวนักบ kind of kind of ินที่เราบอกเนี่ยที่มันปล่อยอะไรได้แล้วตัวมันออกไปอิสระได้เราบอกว่าอ้าวางแล้วไอตัวนั้นปล่อยปล่อยแล้วนักบินออกมาอิสระไอ้นักบินเนี่ยมันไม่มันไม่มันไม่ไม่ต้องไปรู้อะไรแล้วมันออกมาได้แต่ตอนมันปล่อยแล้วม at ันออกมาปีอิสระเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้อีกดีว่าตอนเนี้ยมันปล่อยได้แล้วมันเป็นรู้ที่อิสระ แต่แม้มันเป็นรู้ที่อิสระก็มีคนรู้มันอีกว่าตอนเนี้ยบรรลุอิสระแล้วแล้วให้นักบินน่ะมันจะรู้อิสระหรือไม่รู้อิสระมันจะปล่อยมันจะปล่อยภาระทิ้งลงไปได้หรือตัวมันจะปล่อยไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าถึงมันจะปล่อยได้ตัวมันออกมาเป็นอิสระไอ้ผู้รู้ออกมาเป็นอิสระได้ก็มีเบื้องหลังอะมีคนรู้มันอีกว่าตอนเนี้ยมันสามารถปล่อยวางอะไรได้แล้วสิ่งนั้นน่ะมัน สิ่งที่มารู้ว่ามันปล่อยได้หรือปล่อยไม่ได้อันนั้นมันเหนือชั้นกันไปอีกคือมันไม่รู้ว่าคือใครเลยละและไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเลยแต่มันสามารถรู้เลยว่าเราปล่อยได้หรือเราปล่อยไม่ได้อันแม้แต่เราจะปล่อยไม่ได้มันก็รู้เราปล่อยไม่ได้ต่อให้ปล่อยได้แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ว่าตัวเราก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ว่าเราปล่อยได้แล้วลแตตัวที่ปล่อยได้แล้วปล่อยไม่ได้แตกดับหมด แต่ตัวที่รู้ว่าเราปล่อยได้แนละ้วอันนั้นเราไม่ได้เราผิดตัวแล้วเรามาเอาไอ้ตัวที่ถูกรู้แต่นั Email ้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรอ่ะก็เ anyway ป็นเป็นมันเป็นอย่างที่มันเป็นเนี่ยเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้มันปล่อยได้ก็ปล่อยได้มันปล่อยไม่ได้ก็ปล่อยไม่ได้มันพยายามหาวันทางก็ร่วมพยายามหาวนทางมันจะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เป็นอย่างที่มันเป็นนะเนี่ย ถ้ามันเป็นยังไงก็ปล่อยมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยตัวเราทั้งตัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งตัวล้วจะมีอะไรเราก็รู้อยู่เนี่ยมันปล่อยได้ก็ปล่อยปล่อยไม่ได้ก็ปล่อยปล่อยได้ก็ปล่อยปล่อยไม่ได้ก็ปล่อยล้วจะมีอะไรก็ปล่อยไม่ได้ก็ปล่อยปล่อยได้ก็ปล่อยมันเหมือนกับมันเออมันต้องเห็น เห็นอนัตตาซ้ำๆๆว่ามันก็ไม่มีอะไรที่เราจะไปจัดการหรือทำอะไรได้เลยมันไปเห็นอย่างนั้นเราทําพูดไปเห็นเห็นมันเหมือนกับเห็นด้วยตาเนื้อมันไม่ได้เห็นได้ตห็นเาเนื้อเรามันได้แต่รู้แก่ใจรู้แก่ใจไม่ได้เห็นแล้วว่ารู้แก่ใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นรู้าใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นใจรู้เนี่ยไม่มีหรอกไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวตนเป็นยังไงเราไม่เคยรู้เลยแต่มันรู้แก่ใจก็แล้วกันว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นแค่แค่ได้แต่แค่รู้แก่ใจรู้แก่ใจรู้แก่ใจไปเห็นอะไไรรด้ แล้วไม่มีอะไรว่าไปแล้วมันจะเป็นอย่างไงก็ไม่มีหรอกมันก็แค่รู้กระจายไปเงี้ตลอดชีวิตก็จะตายกล้วก็ธาตุขานจะแตกครับงั้นตัวที่ชอบรู้ชอบเห็นชอบปรุงแต่งชอบวิจารณชอบนึกคิดก็เป็นเรื่องของมันก็เป็นเรื่องของสังขารเป็นธรรมชาติตามนิสัยสนดานของแต่ละคนเพียงแต่ว่ามันเป็นสังขารเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าไม่มีไม่มีตัวเข้าใจผิด ไปพยายามจับพยายามช่วยพยายามแทรกแซงหลงไปไม่มีกิเลสไม่มีอวิชชาจะมีกิเลสได้ต้องมีคนไปยึดถ้าไม่มีผู้ไปยึดไม่เป็นกิเลสไม่เป็นอวิชชาต้องมีตัวเรามีความรู้สึกว่ามีตัวเราไปร่วมถึงจะเป็นอวิชชาแม้แต่ตัวเราจะหาหนทางก็หาไปเพราะมันเป็นสังขารอยกจะหาก็หาไป แต่จะยึดก็ยึดไปไอ้จปล่อยก็ปล่อยไปไม่ได้เกี่ยวกับพุทธาสักอย่างหนึ่งพุทธาเป็นธรรมชาติที่รู้ที่ไม่ปรากฏไม่รู้ว่าเป็นใครเลยนั่นแหละอยู่กับความรู้นั้นเแี่ยความรู้ที่ไม่ปรากฏอะไรไม่ใช่ว่าหลุดออกจากอะไรไม่มีหลุดออกจากอะไรหรอกมีแต่แค่หลุดก็รู้ไม่หลุดก็รู้ก <laughs> ็จะแล้วก็จะเป็นจะทุกอะไรอ่ะเราพยายามจะทําอะไรมันเป็นอะไรตรงนี้เนะี่ยปัญหาอยู่ตรงนี้เนะี่ เราพยายามจะทําให้มันหลุดปัญหามะไรอยู่ตรงนี้ไนงะมันเป็นยังไงอ่ะก็ไม่เป็นยังไงค่ะก็ปล่อยให้มันยุกยิกยุกยิกยุกยิกกันก็าาาาจะเป็นยังไงอ่ะยุกยิกยุกยิกยุกยิกก็มันยังไม่ตายก็ต้องอย่างนั้นไนงะแล้วเราจะเอาอะไรอ่ะเรจะไปเอาอะไรไปกิเลสหมดเป็น อ, ปอาวิชาหมดเพราะมียึด ท, ทันทีเลยเราจะเอาอะไรมันก็ทําได้แค่ ธรรมชาติมันทําได้แก่เนี่ยมันเป็นยังไงก็ต้องยอมให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นเพราะว่ามันไปเอาอะไรไปกิเลสหมดเลยไปแก้ไขอะไรไปกิเลสหมดไปจัดการอะไรไปกิเลสหมดไปอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรไปกิเลสหมดพานทั้งหลายสิ้เหล่สิกิเลสยังไม่ตายก็ต้องยุบกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกในใจเราต้องรอตายซะก่อนเราจะไปเอาไม่ยืดไปเอาความไม่ยึดให้น่ากิเลส มันยึดแล้วยึดความไม่ยึดเราเก็บความยึดเราไม่รู้ตัวเราพยายามที่จะปล่อยออกไปให้มันไม่ยึดแล้วเราก็เครียดมากเลยอ ะ, อะไรเรอเพาเเครียดมากเลย ว่อะไรเราไปยึดไอ้ที่มันเราไปยึดไว้แล้วว่าเราอยากให้มันไม่ยึดอนนี้มันมันยึดไม่ได้มันไม่เลิกยึดตั้งที่เราเลยมโมโหแลยเครียดลึกๆอยู่ในใจแบบเหมือนเวลาหนูบำบัดผู้ติดสารเสพติดอย่างนี้ไงก็ต้องให้เขาเลิกติดสารเสพติดเนี่ยอา้าวเราติดเองอย่างเงี้ยเนี่ย <c oughs> ชอบเนี่ยชอบตลอดเวลาไม่ชอบตลอดเวลาลเราไปคิดว่ามีเราชอบไปคิดว่าเรามีเราติดแต่ก็เอ๊ ก, ก็ไม่ใช่เราอะแต่มันก็อยู่ใน ไอความรู้สึกนึกคิดเราเนี่ยแหละปุงของมันก็วนอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> มันจะปรุงไงก็ไม่มีเรามันก็เรื่องของธรรมชาติของขันเขาอะไรเงี้ยแต่เราไม่มีเราไม่มีเราไ ม, ม่แต่อาการเราไม่มีมีแต่อาการที่เปลี่ยนแปลงไปเกิดดับมีแต่อาการปัจจุบนันปัจจุบนันปัจจุบันเนี่ยไม่มีอะไรอะ่ะ สบายใจบ้างไม่สบายใจบ้างคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างคิดกุศลอกุศลก็เรื่องของมันไม่เกี่ยวอืเรารู้ได้ไงมันคิดเอากุศลนั่นแน่กรู้นั่นแน่อยู่ก็รู้นั่นแนะคิดจะแค่ว่ารู้ยังไงมันคิดกุศลก็อยู่กระลุนนั่นแน่คิดยังไงรู้ยังไงว่ามันยึดล่ะก็อยู่กระลุนนั่นแน่แต่ไม่ได้อยู่กับไม่ยึดเข้าใจไหมเจ้าค่ะก็รู้ได้ไงว่าไม่ยึดอะไม่ยึดไม่ยึดก็รูุ้่นอ่มันไม่ยึด แต่ไม่อยู่กับไม่ยึดแต่อยู่กับกรู้ปรลธานนั้งหลายอยู่กับรู้ไม่อยู่กับว่ามันยึดผมไม่ยึดอยู่กับไม่ยึดเน้นยึดหรือไม่ยึดไม่มีความหมายเพราะท่านอยู่กับรู้ยึดท่านก็อยู่กับรู้ไม่ยึดท่านก็อยู่กับรู้เพราะว่ายึดเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ดับไปไม่ยึดเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ดับไปอืมเกิด อ, อย่า ง, ง น, นั้นไงกับเพราะอะไร โอ้ยตอนไปทํางานลืมแล้วเรื่องยึดพอเลิกงานทํากลับมายึดต่ออีกยาย้ำทําทำท ำ, ทำแยกแค่มันออกมาจากที่ยึดได้ๆพอไปทํางานเอลินสบายใจเลิกยึดไปแล้วนั้นไอ้ยึดหรือไม่ยึดก็ไม่เที่ยงพอไปทํางานปุ๊บ ก, ก็รู้ว่าเออตอนนี้ไม่เห็นยึดอะไรเลยแน่นแนะแต่ท่านมาอยู่กับไม่ยึดอยู่ก็รู้ว่าอยู่ก็รู้แต่พอกลับมามีการทําทำทำขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลิกงานปุ๊บมีการทําอะไรในจิตอัตโนมัติ ท่านไม่อยู่กับว่ามันทำแล้วพยายามจะแยกออกมาให้ไม่ทำท่านอยู่กับรู้รู้ว่ามันทำใครรู้ว่าเรามีการทำใครรู้ว่ามีกา ร, ร, ร, าการพอเลิกงานปุ๊บมีการทำในจิตเลยมีการพยา ย, ยามแยแยกตัวเราออกมาจากสิ่งใดเลยมีการทำเกิดขึ้นเลยพอไปทำงานปุ๊บมีงานมีเจอเพื่อนเพื่อนฝูงปุ๊บลืมแล้วลืมพยายามแยกตัวเราออกมาจากอะไรแล้วลืมไปแล้วอุยจริงหลงตากลับถึงบ้านปิดประตูบ้านปุ๊บทาทันทีเห็นไหม อพรนั้นน่ะท่าไม่ได้อยู่กับผมมาทําแล้วเราก็พยายามจะเลิกทําไม่ใช่ท่านอยู่กับรู้ว่าพอกลับถึงบ้านปุ๊บปิดประตูแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันมีการทําทันทีเลยว่านักหลายถ้าอยู่กับรู้ไม่ไปอยู่กับทําหรือไม่ทําพราะอะไรทำแล้วไม่ทำแล้วก็เปลี่ยนไปเจอเพื่อนก็เลิกทําเพราะเพื่อนไปหมดอยู่คนเดียวทําเลยมีการทํำในจิตเลยพระธานทั้งหลายอยู่กับรู้ไม่อยู่กับสภาวะหรือผล ที่เกิดขึ้นเลยจากการที่ถูกรู้ซื่อื่อรู้ซื่อๆซื่อๆเลยตรงไปตรงมาอย่างที่มันเป็นเราจะเอาอะไรถ้าไม่เอานะไรไม่มีอะไรเรจะไปเอาความไม่ยึดอะไรให้เอาตายเลยก็จะไปเอาความไม่ยึดตะทุกตายไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมีปัจจุบันอยู่กับรู้อยู่กับรู้ตามความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่ก็รู้ตามความเป็นจริงปัจจุบัน ไม่มีว่าเดี๋ยวจะไปเอาอะไรในนาโคดเดี๋ยวอนาโคดจะสิ้นยึดทําำพยายามทำทำตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทิ้นยึดทำทำทำตอนนี้เดี๋ยวเราจะสิ้นยึดอันนั้นน้าไปยึดในนาโคดเป็นเป็นทำเมาดังั้นในใจจะเป็นยังไงไม่อยู่กับสิ่งที่ถูกรู้เลยไม่อยู่กับอารมณ์ที่ถูกรู้ก็แค่รู้ก็แค่รู้อะไทั้งหลายอยู่กับรู้ไม่ไปอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้แค่รู้แค่รู้ <c oughs> คุณเจ้าค่ะชื่อหมีครับก็พอฟังหลวงตาตอนแรกว่าไม่มีการบ้านส่งแต่พอฟังพอฟังหลวงตาแล้วเฉลยเมื่อกี้มันที่ทําไมมันคือเหมือนอาการลักษณะเดียวกับที่ที่เราเจออย่างนั้นเหมือนกันคือมันช่วงพอไม่มีใครอยู่ปุ๊บเราก็จะขยันทําแต่พอมีภาระหน้าที่ที่ต้องไปทํามันก็กลายเป็นเหมือนอย่างที่หลวงตาเฉลยว่ามันก็กลายเป็นว่าไม่รู้ไปเลย แต่พออยู่คนเดียวเมื่อไหร่หรือมีเวลาเมื่อไหร่มันก็จะกลับมาแต่ทีนี้บางจังหวะมันก็ดูแล้วเอ๊ะมันมันเหมือนมันจะปล่อยมันเหมือนจะวางลงได้ได้จริงแต่ว่ามันก็ยังมีมันรู้สึกเหมือนกับว่ามันวางได้ครับหลวงตาแต่มันก็พอเริ่มเหมือนรู้สึกรู้ได้ว่าเออเริ่มกลับมาทําเนี่ยมันก็จะกลับมันยึดอีกครับเราก็ใจผีเราเข้าใจผิด เราเข้าใจเรื่องการวางกับการยึดติดเราเข้าใจเรื่องการวางคือมีอาการที่ไม่ยึดแล้วถ้ามันเนี่ยมีอาการที่ไม่ยึดแล้วต่อเราคาดหมายหรือว่าถ้ามันไม่ยึดมันจะเป็นอย่างไรพราะเราคาดหมายไว้ในใจแล้วว่าถ้าอาการไม่ยึดเนี่ยมันต้องเป็นอย่างไงเรามีการคาดหมายไว้ในอนาคตแล้วว่าเนี่ยลงตาถามหน่อยว่า ถ้าเราไม่ยึดต้องถามั้งคู่เนี่ยถ้าเราไม่ยึดแล้วจะเป็นยังไงเอาถ้าไม่ยึดแล้วจะเป็นยังไงเอาไหนตอบทีละคนที่เนี่ยบอกว่ากลับว่ากลับพเอเลิกงอานพวกกลับมามันยึดเลยมันมีการทําทำทำแล้วมีการยึดเลยแล้วคาดหมายไว้อย่างไงว่ะถ้ามันไม่ยึดแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าถ้าเราทําได้จริงๆมันไม่ยึดจริงจริงแล้วจะเป็นยังไงมันเนี่ยที่คาดหมายน่าจะรู้สึกว่ามันมัน มันคาดหมายอาการนะว่าน้อต้องมีความรู้สึกโปร่งร่องเบานั่นนายเห็นไหมครับมันยึดอย่างเงี้ยมันยึดโปร่งร่องเบาสบายอันเนี้ไม่ใช่สิ้นยึดนะไม่ใช่สิ้นกิเลสแสดงว่าเราคาดหมายอะไรไว้เราจึงเกียดอาการที่มันตรงกันข้ามถ้าท่านเกียดอะไรไว้แสดงว่าท่านไปยึดอะไรไว้เรายึดไว้เนี่ยไอ้ที่ยึดไว้ต้องที่คาดหมายไว้ผิดหมดเพราะว่าไปยึดไว้แล้ว ไม่มีมีแต่รู้ซื่อตามความเป็นจริงในทุกขณะปัจจุบันเลยไ ม, ไม่มีว่าถ้าเราเป็นอย่างนี้เราเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงไม่มีถ้าอย่างนั้นไม่มีทางโอกาสไปไปได้เพราะว่ามันเป็นกิเลสตลอดมีแต่ปัจจุบนันปัจจุบนันแล้วก็รับรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงและจิตใจของเราซื่ออย่างที่มันเป็นตรไปตรงมาเข้าใจไหมครับ เราทำไมไม่จบลงในปัจจุบันนะปัจจุบันมันจะเป็นไงก็เป็นไปอย่างเงี้ยมันก็มีแค่ปัจจุบันนั่นแหละเมื่อปัจจุบันเนี้ยมันเป็นยังไงเราก็รับรู้ตามความเป็นจริงยอมรับมันตามความเป็นจริงในขณะปัจจุบันนั้นเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปมันเป็นยังไงเราก็รับรู้มตามความเป็นจริงในปัจจุบันวันพรุ่งนี้มันเป็นยังไงก็รับรู้ตามความเป็นจริงในปัจจุบันปีหน้ามันเป็นยังไงก็รับรู้ตามความเป็นจริงในปัจจุบันมันไม่มีเปลี่ยนหรอกความรับรู้ตามความเป็นจริงแต่อาการเนี่ยนเปลี่ย แต่ความรับรู้เนี่ยมันก็ซื่อตลอดเวลาเลยวินาทีสัตว์ไปก็มันเป็นยังไงก็แต่แต่เราเรารับรู้จําเป็นอย่างที่มันเป็นอ้าวเวลาถัตไปอีกมันลาเป็นยังไงอ้าวก็รับรู้มันอย่างที่มันเป็นอ้าวคุณนี้รุงนี้มันเป็นยังไงก็รับรู้มันอย่างที่มันเป็นมัลืนมันเป็นยังไงก็รับรู้มันสิ่งนี้เป็นมันเลยมีปัจจุบันเนี่ยคือรับรู้ตามที่มันเป็นอย่างสิ่งที่มันเป็นทุกขณะปัจจุบันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้า มันเป็นยังไงเอ้าปีหน้าก็รับรู้จะมันเป็นอย่างที่มันเป็นในทุกขณะปัจจุบันเอ้าสองปีหน้าสิปีหน้ามันเป็นยังไงเอ้าก็รับรู้มันเป็นอย่างที่มันเป็นในปัจจุบันมันเลยเหมือนกันหมดเลยอ่าตลอดเวลาตั้งแต่ปัจจุบันเนี่ยคือรับรู้มันเป็นอย่างที่มันเป็นแต่อาการของเดี๋ยวนี้อาการของนาทีถัดไปอาการของนาทีถัดไปสภาวะธรรมของสภาวะเปลี่ยนไปสภาวะธรรมเปลี่ยนไปสภาวะของอาการเปลี่ยนไปมีแต่เปลี่ยนไปแต่อธิรูป ตามความเป็นจริงในปัจจุบันถัดไปสมมติว่าเนี่ยเป็นตารางข้างหน้าเนี่ยปลูกกระเบื้องเนี่ยเป็นตารางเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นล ок, ็อกล็อตารางข้างหน้าเราเนี่ยเราก็รู้มันตามตามเป็นจริงเพราะนี้เลื่อนเข้ามาเราก็รู้มันตามความเป็นจริงอ้าวขอแผน่ P, ตนต่อไปเลื่อนมามันมีลักษณะอย่างไงก็รู้มันตามความเป็นจริงเพราะแผ่ น, นเป็นยังไงก็รู้มันตามความเป็นจริงเลยทุกขณาปัจจุบันน่ะรู้มันตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นจริงในจะข้างหน้าเนี่ยแต่ไอ้สิ่งที่มันเลื่อนไปเลื่อนไปเนี่ยคือสิ่งที่ถูกแต่ ไอ้ท right. right. ี่ร right. right. so, ู like remember, ้มันตามความเป็นจริงไม่เคยเปลี่ยนแปลงอันนั้นเนี่ยเป็นอมตะตายแล้วธาตุขันแตกแล้วไอ้ที่มันรู้ตามความเป็นจริงในปัจจุบันอย่างนั้นเป็นอมตะนะไม่ตายแต่ที่เลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปเนี่ยเหมือนกับเรื่องตาตารางเนี่ยที่มันเลื่อนไปมาเลื่อนเาเป็นแผ่นปัจจุบันเลื่อนเาเป็นปัจจุบันให้เราเห็นเนี่ยสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดเป็นธาตุขันแตกหลับหมดแต่ความรู้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยแค่รู้ตามความเป็นจริงเนี่ยอันนี้เป็นอมตะ เป็นอมตะตายท่านขานแตกดับแล้วสิ่งนี้ไม่ไม่แตกดับความรู้เนี่ยไม่แตกดับเพราะมันเป็นท่านเป็นท่านรู้เป็นพุทธะแต่เราเนี่ยจะไปเอาสภาวะที่มันเปลี่ยนแปลงไอ้อย่างนี้เราชอบอย่างนี้เราไม่ชอบแล้วเราไปคาดหมายว่าเนี่ยเราติดอยู่เรายึดอยู่ท่านเราเนี่ยไม่ไม่ติดไม่ยึดมันจะมันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราไปถึงแม้ไม่ติดไม่แน่มันก็ไปกระเบื้องแผ่นต่อไปอ่ะมันมีสภาวะไม่ติดมันว่างโล่งโปร่งเบาสบายก็ ปเป็กระเบื้องแผ่นต่อไปก็แค่รู้อ้าวมันมันไม่ว่างโรคโปรภพอสบายมันก็ปกเป็นกระเบื้องแผ่นต่อไปก็แค่รู้มันเลื่อนเข้ามาเลื่อยเลื่อนเข้ามาเลื่อยเือยเหมือนเลื่อนสายพานอ่ะเลื่อนสายพานมาเรื่อยเราก็แค่รู้แค่รู้แค่รู้สักตะ ร, รู้ในปัจจุบันตามความเป็นจริงอันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงแค่รู้เนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงแต่ทุกสรรพสิ่งมันเปลี่ยนแปลงสิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือแค่รู้หรือพระเจ้าใช้คําว่าที่กรแปลของพระเจ้ามาคือสักตะว่ารู้พยะถ้าเธอสักตะว่ารู้เธอจะสิ้นตัวตนของเเธธอออใในนนนนพี้้สิตตัวขง ในภพหน้าเธอจะไม่มีกิเลสตัณหาเธอจะบรรลุพระนิพพานนั้นสักตวันรูใน ป, ในปัจจุบันอันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงถ้าปัจจุบันสักตวรุ้ในปัจจุบันสักตะวรุในปัจจุบันอันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่ถูกรู้ทุกขณะปัจจุบันเปลี่ยนแปลงแล้วแตกหนับได้พอ wow. สิ้นอายุไขสิ้นขันธ์อาแตกหับไปเป็นสิ่งที่ถูกรู้แต่ไอ้ที่รู้ตามความเป็นจริงทุกขณะิตปัจจุบันไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอมตะเป็นพุทธ Fact, ท, ท, present, ท่านที่กล่าวว่ารู้ซื่อๆซื่อๆอย่างที่มันเป็นตรงไปตรงมาปัจจุบันซื่อๆอย่างที่มันเป็นรู้ซื่อๆนี้มันเป็นเดี๋ยวก็อนาคตเลื่อนมาปัจจุบันมันก็เป็นซื่อๆอย่างนี้เป็นอนาคตต่อไปเลื่อนมาเป็นปัจจุบันก็รู้ Bolt. ซื่อ um ๆอย่างนี um> um> um> um um um um ้เป um> ็นน um ี่ไหนรู้ซ um ื่อๆอย่างที่มันเป็นเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยแต่อาการของใจเปลี่ยนแปลงเรื่อยไปจะติดหรือไม่ติดก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยไปเอามีการทํเพราเลื่อจากงานมามีการทําในใจจี๋จี๋จี พอไปทํางานก็เลิกทําในใจจี๋ๆไปไปไปสนุกสนานกับเพื่อนแต่ความรู้เนี่ยเรารู้ไหมล่ะถ้าเราเราไม่มีความรู้มันก็ขาดไปแล้วอันเนี้ยเพราะว่าอะไรสติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่ที่นั่นความรู้อยู่ไหนสติอยู่ที่นั่นสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันอันเนี้ยเราสติขาดมันก็เลยไม่รู้่าว่าในจิตใจเราเป็นยังไงแต่ถ้ามีสติอยู่มันก็รู้ตลอดเวลาว่าในจิตใจเราเป็นยังไง แต่รู้ก็ไม่ใช่ทําอะไร юсь, ไม่ต้องการนะว่ารู้แล้วมันอย่างนี้เอาอย่างงี้ไม่เอารู้แล้วจะต้องมีอะไรเปลี่ยนรู้แล้วจะต้องเป็นอย่างรู้แล้วจะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนบางคนมาร้องไห้ต่อหน้าเราก็หลายคนแล้ว <Say> ก <that> ็มันไม่หลุดมันไม่หลุดไม่หลุดเดี่ยจะเอาหลุดอยู่นั่นแหละบอกว่าเอารู้แต่จะเอาหลุดมันก็มันคนละเรื่องผู้กับไม่เข้าใจจะเอาหลุดแล้วก็บอกว่ารู้ได้ยังไงว่ามัน่ะมันไม่หลุดไอ้นั่นแหละเอารู้นั่นแหละไม่ใช่ว่าเอาหลุดก็รู้นี่ก็บอกแล้วก็เนี่ยมันไม่หลุดอาจารย์มันไม่หลุด ไม่ได้ไอหลุดไอหลุดมันไม่หลุดไม่ไม่หลุดเนี่ยไม่ต้องการไม่ต้องการว่ามันมันไม่หลุดไม่หลุดแล้วต้องการหลุดอะไรไม่ต้องการดองตาไม่ต้องการต้องการรู้ว่าเนี่ยใครรู้มาแล้วว่าไม่หลุดเอาได้แน่อยู่กับรู้นั้นอะรู้นั้นแน่สำคัญที่สุดเพราะมันไม่แตกไม่ดับเป็นพุทธะไม่เข้าใจอยู่นั่นแหละมันไม่หลุดมันไม่หลุดอยู่เนี่ยมันติดมันติดอยู่นั่นแน่มันไม่หลุดมันไม่หลุดแล้วใครวะรู้ว่าติดเราไอติดหรือไม่ติดเนี่ยไม่ใช่สาระสําคัญสาระสำคัญคือใครละรู้ว่าเนี่ยมันติด แม้แต่หลุดแล้วเนี่ยหลุดยังไม่สาระไม่ใช่สาระสำคัญเลยใครรู้ว่าหลุดแล้วล่ะเนี่ยแหน่คนที่รู้ว่าหลุดแล้วเนี่ยผู้ที่รู้ว่าหลุดแล้วเนี่ยอันนั้นแหน่เป็นพุทธะไม่แตกไม่ดับไม่ทําลายแต่ไอ้ติดอะไม่ติดเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ติดอะไอย่างเงี้ยเพราะเราเข้าใจผิดว่าเออทำไมไม่ติดแล้วมันจะว่างล่องโปร่งเบาสบายเดี๋ยวก็ติดเพราะว่าไอ้ว่างร่องโปร่งเบาสบายอยู่ไม่นานหรอกเพราะว่ามันไปอยู่ที่ตามกระทบ อายุนาภายในกระทบกันกับอาตาภายนอกมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยเพราะนั่นไหให้ว่าโล่งโปรบบ่งสบายไม่ได้อยู่สาววอนได้เพราะอะไรมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่มีเการกระทบกันของอายตนาภายในกับภายนอกอยากก่างกลางวันเนี่ยโอ้ยแดดร้อนจัดเลยเดินเนี่ยมีนามเมษาเนี่ยออกไปข้างนอกใบใบออกไปได้เมื่อไหร่นะร้อนจัดมากเลยอย่างเนี้ยใจมันก็ไม่ว่างโลบบบ่งโปร่งสบายเพราะอะไรมันก็โอ้ย ไม่มันร้อนมากเลยนะเนี่ยอึดอัดปากเลยอะไรเงี้ยก็ธรรมดาอึดอัดแต่ก็อึดอัดก็แค่รู้อึดอัดพอตอนเย็นโอ้เนี่ยกลางค่ำาคืนเนี่ยทำไมอากาศเย็นมากเลยเดินหงายด้วยเนี่ยก็ก็รู้ว่าจิตใจมันสบายดีเพราะว่าอากาศมันเย็นเดินหงายแต่ไม่ใช่ว่าจิตใจอึดอัดแล้วมาจิตใจสบายและสบายได้คงที่นะไม่ใช่เดี๋ยวกลางวันร้อนอีกก็อึดอัดอีกถ้เราเลือกแบบนี้ยเราทุกข์ตาย เพราะว่าเราเล wow. ือกสภาวะธรรมที่ถูกรู้เราไม่เอารู้ไงรู้ก็คือเออกลางคืนมันสบายก็ก็รู้ว่าแค่กลางคืนมันสบายก็กลางวันมันไม่สบายมันอึดอัดไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวมันร้อนจัดก็ก็แค่รู้เพราะว่าไอ้แค่รู้เนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงแต่สภาวะที่ธรรมที่ถูกรู้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาท่านจิงเอารู้ไงอุไดเอารู้คนนั้นนี่ยอยู่กับรู้คนนั้นเป็นอรหันต์หมดเลยอรหันต์เราถามแล้วมาหลายองค์ละอยู่กับรู้ แต่บรรดุชนทั้งหลายจะเอาสิ่งที่ถูกรู้จะเอาสภาวะที่ถูกรู้ให้มันเปลี่ยนแปลงไปตามที่ตัวเองใจอยากอันนี้เป็นกิเลสนะเป็นกิเลสเป็นทางตรงข้ามปณิพนิพานหลวงปู่ทาจารยสมมพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านว่าจิตเป็นอย่างนี้สภาวะจิตเป็นอย่างนี้สภาวะธรรมมันเป็นอย่างเนี้ยอยากให้มันเป็นอย่างนั้นพคนเป็นงั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ยอันนี้มันเป็นกิเลสเป็นทางเดินตรงข้ามพณิพนิพานทางเดินของพระยาเจ้าทั้งหลายรู้สึก รู้ซื่อซื่อทุกขณะปัจจุบันรู้ซื่อซื่อจิตทุกขณะ ป, ปัจจุบันหลุดจากปัจจุบันรู้ซื่อซื่อจิตทุกขณะปัจจุบันแล้วไม่มีอะไรเป็นธรรมอดีตเป็นธรรมเมาอนาคตเป็นธรรมเมารู้ซื่อซื่อจิตปัจจุบันรู้ซื่อซื่อจิตปัจจุบันมีแค่เนี้ที่รู้ซื่อซื่อเนี่ยคือธรรมคือธรรมะฝ่ายไม่ปรุงแต่งหรือพุทธะรู้อะไรก็มารู้จิตที่มันปรุงแต่งฝ่ายปัจจุบันแล้วก็ผู้รู้เนี่ยเป็นธรรมาชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่ง มารู้อะไรก็มารู้ธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งที่จิต<ด>ที่มีอาการได้มีกิริยาการได้เรียกว่าธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งส่วนในรู้เนี่ยรู้ซื่อเนี่ยมันเป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งไม่ใช่ว่าตัวเราเป็นคนรู้ซื่อเน่ยมันเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งไม่ได้มันไม่มีกิริยาการใดๆไม่สามารถมีกิริยาการได้ไม่มีตัวตนไม่มีรูปพัรร์ส้นฐานใดๆเลยเป็นธรรมชาติของธาตุรู้มันก็ได้แต่รู้อย่างเดียวรู้ซื่อรู้ซื่อๆไม่ใช่ว่าเอาตัวเราไปรู้ซื่อมันเป็นธรรมชาติของธาตุรู้หรือเป็นความรู้ที่ ไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนของผู้รู้แต่ความรู้วันเนี้ยมันต้องคู่สติสติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่ที่นั่นความรู้อยู่ไหนสติ อ, อยู่ทีนัสติกับความรู้มันอยู่เดีกันถ้ามีสติมันก็มีความรู้รู้อะไรก็รู้จิตปัจจุบันไงแต่ถ้าไม่มีสติก็ไม่รู้จิตปัจจุบันมันก็จะเป็นทําเมาไปอดีตเป็นทําเมาอนาคตเป็นทําเมาถ้าไม่รู้ จ, จิตปัจจุบันมันเป็นยังไงมันก็จะไปอยูอ่กับอารมณ์ที่ถูกรู้หมดมันก็จะเป็นการสรงจิตออกนอกหมด นั้นถ้าเรารู้จิตปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวจิตปัจจุบันก็เลื่อนมาเป็นอดีตเดี๋ยวอจิตอนาคตมันก็เลื่อนมาเป็นปัจจุบันให้เราก็รู้จิตอนาคตที่มันเลื่อนมาเป็นปัจจุบันก็รู้อีกก็แค่รู้สืกอๆจิตในปัจจุบันเดี๋ยวอจิตอนาคตมันก็เข้ามาแทนที่ไอจิตในปัจจุบันเป็นอดีตแล้วก็รู้ซื่อๆไอจิตในอนาคตที่เข้ามาในปัจจุบันนีิสภาวะเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวก็ถู่ใจไม่ถูกใจเป็นกลางๆถูกใจไม่ถูกใจเป็นกลางๆคิดดีคิดชั่วคิดบุญคิดบาปคิดกุศ มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยี่คิดถูกรู้เนี่ยแต่ผู้รู้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันได้แต่แค่รู้ซื่อๆปัจจุบันรู้ซื่อๆปัจจุบันรู้ซื่อๆจิตปัจจุบันรู้ซื่อๆจิตปัจจุบันแต่สภาวะจิตที่เปลี่ยนไปเนี่ยคงเปลี่ยนไปตลอดวะเดี๋ยวดีมั่งไม่ดีมั่งถูกใจมั่งไม่ถูกใจมั่งเป็นกุศลมากกุศลมากมันก็เหมือนเราเนี่ยมองสายพานเนี่ยของที่อยู่บนสายพานเน่ะมันเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วของที่อยู่บนสายพานเลื่อนไปต่อหน้าเรานี่มันเลื่อนไปเร เปลี่ยนไปอย่างนู้นเปลี่ยนไปอย่างนี้ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเป็นกุศลบ้างอกุศลต้องเปลี่ยนเรื่อยแต่ให้เขาให้แค่รู้นะเหมือนกับเขาจ้างมาบอกว่ารู้อย่างเดียวห้ามหยิบห้ามจับห้ามแทรกแซงให้รู้อย่างเดียวมีหน้าที่แค่รู้รู้รูสัตว์ตะวรู้ให้มายืนรู้รู้เฉยๆจ้างมาให้แค่รู้เฉยๆนะห้ามหยิบห้ามจับห้ามแทรกแซงอะไรทั้งหมดก็แค่รู้เพราะธรรมชาติมันได้แต่แค่รู้แต่ไม่เชื่อว่าเอาตัวเราไปพยายามรู้ธรรมชาติเน่ยมันรู้ตัวเรามันตรงกันข้ามเอาตัวเราพยายามไปรู้เนี่ยมันมันจะ มันจะเอาสภาวะเอาอาการนั้นเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างง <T> ั้นมันเป็นอย่างงั้นอย้แต่ธรรมชาติของธาตุ ร, รู้เนี่ยมันรู้ตัวเราเพราะร่างกายจิตใจเรามันเป็นสังขารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาร่างกายก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจิตใจก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไอ้ที่รู้เนี่ยมันจะเอาตัวเราไปรู้โลกมันรู้ตัวเราที่บอกว่าเปลี่ยนแปลงอ่ะก็รู้ตัวเร า, าเนี่แหละรู้กายรู้จิตของเราเองเนี่แหละที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันจะเอาตัวเราไปรู้อะไรรู้ตัวเราอย่างที่มันเป็นทุกขณะปัจจุบันคือรู้จิต รู้กายรู้จิตนี่แน่จิตแน่ก็อยู่จิตก็อยู่ในกายเรานี่แน่แต่รู้กายรู้จิตในตัวเรานี่แน่มันจะว่าเอาตัวเราเนี่ยไปรู้คนอื่นมาไปรู้อาการอย่างอื่นหรอรู้ที่เนี่ยมันรู้ที่ตัวเรานี่แนะแล้วมันเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยตีก็ถูกรู้เปลี่ยนไปเรื่อยก็ได้แต่แค่รู้ตัวเราแค่รู้ตัวเราแค่รู้จิตปัจจุบันแค่รู้ปัจจุบันก็จิตมันก็ในตัวเรานี่แน่แค่รู้ปัจจุบันรู้ปัจจุบันคือปล่อยมันผ่านไปผ่านไปผ่านไปแค่รู้แค่รู้ปัจจุบันเป็นยังไปจริง คือเห็นในใจตัวเองอ่ะเจ้าค่ะว่าอยากอยากมันมีความอยากที่จะอยากปล่อยอยากวางเนี่ยเพราะว่ามันไปหมายไว้ว่าถ้าเราปล่อยวางปล่อยวางเราก็จะได้ถึงจุดที่มันไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกมันมีไปหมายไว้แต่เมื่อกี้พอหลวงตาบอกว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้อา่าเลยเข้าใจว่าจริงๆแล้วถ้าอยู่กับปัจจุบันจริงๆขณะนั้นสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้ ตรงนั้นก็ไม่มีพบไม่มีชาติแล้วออะลุจัตวรู้ไม่มีตัวตนภพชาติมันก็ไม่มีแล้วอวิชาก็ไม่มีเพราะว่าถ้ามีอวิชามต้องมีตัวตนอสัจธวรรู้เนี่ยมันคือธาตุรู้ที่ตัวตนมันไม่มีมันก็สิ้นอวิชาพอสิ้นตัวตนของผู้ประยุติมันมีแค่สัจตวรรู้ที่ตัวตนของผู้ประยุติมันก็ไม่มีกิเลสไม่มีทุกข์ไม่มีพบไม่มีชาติ ไม่ใจ่ว่าเราไปรอเราตายแล้วสิ้นพบสิ้นชาติไม่ใช่สิ้นในปัจจุบันนี้สัพตะวารู้นี่หรือเจ้าแตกกับพยาวัตเธอศักแต่ว่าสัแต่วารู้เธอจะบรรลุวิพญานจะสิ้นตัวตนของเธอในในปัจจุบันเลยสิ้นในปัจจุบันนี้เลยเอาเถอะที่ในอนาคตสิ้นหมดสัพตะวารู้เนี่ยมันเป็นธาตุรู้มันเป็นพุทธะเป็นธรรมธาตุมันรู้ปัจจุบันเนี่ยพราอดีตมันก็ไปจากปัจจุบันอนาคตมันก็เลื่อนมาจาก มาอยู่ที่ปัจจุบันอแล้วก็มาเป็นอดีตอดีตก็เลื่อนไปปัจจุบันอนาคตมันก็เลื่อนมาที่ปัจจุบันถ้าคุณศักตะวัรู้ศักตะวัรู้ศักตะวัรู้ทุกขณะปัจจุบันมันก็พ่งนี้ก็ศักด์มันก็ต้องเลื่อนมาเป็นปัจจุบันมาลือก็ต้องเลื่อนมาเป็นปัจจุบันมันก็เลื่อนมาเรื่อยก็สุท้ายมันก็เป็นมีแต่ปัจจุบันปัจจุบันรู้ปัจจุบันรู้ปัจจุบันรู้ปัจจุบันอย่างเดียวแต่อย่างเงี้ยไอ้รู้เนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าม มันจะถูกใจเราไม่ถูกใจเรามันจะคิดกุศนอกุศลมันก็ถูกเปลี่ยนแปลงเรื่อยมันก็ถูกเปลี่ยนแปลงเรื่อยไปเลื่อนไปเรื่อนไปเลื่อนไปแต่สัพตวันรุเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยไม่ไรอะไรจะผ่านมามันก็แค่รู้อะไรจะผ่านมามันก็แค่รู้หรือสัพตวรุอะไรจะผ่านมาดีก็แค่รู้คิดอกุศลก็แค่รู้คิดกุศลก็แค่รู้สบายใจก็แค่รู้ไม่สบายใจก็แค่รู้แต่แค่รู้แค่รู้แต่ทุกสิ่งก็ถูกรู้ทั้งหมดผ่านไปผ่านไปแต่ไอแค่รู้แค่รู้สวรไม่่เเคยปลีือส อะไรจะเป็นยังไงก็สักตะวรูไม่เคยเปลี่ยนแปลงหรือรู้ซื่อไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยหลวผูุ้ทธานจะรย์คํำว่ารู้ซื่อๆหูซื่อๆหูซื่อๆภาษาสานหูซื่อๆหูซื่อไอหูซื่อเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่ไอจีที่ถูกรู้ว่าเปลี่ยนแปลงตลอดแต่หูซื่อเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงแล้วก็ใจผิดเพราะว่าเราก็จะผิดอะไรเราก็ใจว่าถ้าเรารู้ซื่อหรือสักตะวัรูแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะ เดี๋ยวจะมีสภาวะอะไรเกิดขึ้นโออันนี้ไม่ใช่แล้วเพราะเราไม่เข้าใจว่าไมหนูเข้าใจแล้วอาจารย์ผมเข้าใจแล้วอาจารย์เดี๋ยวถ้าเข้าใจแล้วเป็นไงถ้าผมทําได้อย่างอาจารย์ว่าผมรู้ซื่อซื่อแล้วสักดิ์ตาจริงเดี๋ยวผมจะาอ้าวมันจะมีจ่าในอนาคตอีกถ้ารู้ซื่อซื่อแล้วไม่อาจารย์ผมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วพอสักเดี๋ยวเข้าใจจะบอกออกผมเข้าใจแล้วทำผมเนี่ยรู้ซื่อซื่อหรือว่าสักดิ์เราลุจได้จริงเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวบอกมาเลยเดี๋ยวจ่าเลยเดี๋ยวผมจะว่าง เดี๋ยวผมจะโปร่งโลกบสบายเดี๋ยวผมจะไม่มีตัวตนเอา้าไม่ใช่แล้วอันนั้นเนี่ยอันนั้นเป็นสภาวะหรือว่าเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเราไปยึดสภาวะฝ่ายไม่ปรุงแตง่งแล้วก็สภาวะฝ่ายปรุงแตง่งมีคนไปยึดเขาแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ปล่อยมันเป็นอย่างที่มันเป็นในทุกขณะปัจจุบนะันปล่อยมันเป็นอย่างวที่มันเป็นทุกขณะปัจจุบนะันน่ะไม่มีอะไรสักอย่างเลียวในใจอไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่อะไรใจมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันไม่เกี่ยว มันก็แค่รู้เนี่ยวก็เลื่อนไปสิ่งที่ถูกรู้มันก็เลื่อนไปมันก็เลื่อนไปมันก็เลื่อนไปสบายใจมันก็เลื่อนไปไม่สบายใจมันก็เลื่อนไปที่ดีคิดไม่ดีมันก็เลื่อนไปมันก็เลื่อนไปเลื่อนไปแตี้นี่มันก็ได้แต่แค่รู้ปัจจุบันรู้ปัจจุบันรู้จิตปัจจุบันรู้ปัจจุบันรู้จิตปัจจุบันเลื่อยไปแค่รู้แค่รู้อย่างเดียวไม่ใช่แค่รู้นี่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยตลอดการพอตายแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงไอ้แค่รู้เนี่ยรรู้มประศักสิ่่งทีถูกรู้ีไมัััันนนดดบห้าข่เปนี่ยจจิใเเรานี่ยมันแตกปลบ ถ้าแตกขันดับดับหมดแต่ไอ้แค่รู้แค่รู้ติปัญรู้กนาปัจจันมันไม่เปลี่ยนแปลงอะไเนี้ยพอตายแล้วมันก็เป็นแค่รู้ติปัญญารู้เรื่อยไปเพราะว่ามันเป็นอมตะแล้วตอนเนี้ยแต่มันไม่ไปเกิดในร่างใดแล้วเพราะมันแค่รู้แล้วสติปัญญารู้แล้วมันเลยไม่ติดไปอีกแล้วพอไม่ติดอะไรมันก็ไม่ไปติดในร่างใดต่อไปแล้วอุตตมะมาคดค้นพบสัจธรรมความจริงอันเนี้ยมันมีอยู่แล้วในธรรมชาติมีอยู่แล้วในร่างกายจิตใจของเราดีแน่ไม่ได้เป็นของที่แปลกใหม่อะไรเป็นของที่มีอยู่แล้วอุตตมะมาคดพบของเิใรากยจจตล แต่เราเพียงว่ามันจะไปเอาสิ่งที่ถูกรู้จะไปเอาตัวเราไม่เป็นอะไรมันไม่เอาแค่รู้เพราะเราถามว่าจริงๆอะแค่รู้ถ้กเท่านีแค่รู้สักต่ำรู้แล้วเธอจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมก็จะไปเป็นอย่างนู้เดี๋ยวผมก็จะไปเดี๋ยวนก็จะไปเป็นอย่างนู้นเดี๋ยวหนูก็จะไปเป็นอย่างนี้เอ้าอย่างนี้ไม่ใช่ไม่เอามันไม่ได้เอาแค่รู้ซะแล้วมันไม่เป็นรู้แค่รู้สับตะรู้ในปัจจุบันซะแล้วมันว่าถ้าแค่รู้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะนิพพานเดี๋ยวจะบรรลุธรรมเดี๋ยวจะว่างเดี๋ยวจะไปเป็นโอ้ยมันไปเอา เอาตัวเราไปเอาหมดเลยจะไปเอาอะไรอะ่ะจะไปเอาอะไรทั้งหมดมันไม่แค่รู้แต่แล้วไอเพราะว่าแค่รู้เนี่ยคือเป็นพุทธะแล้วก็เป็นพุทธะอย่างเป็นอมตะแต่มันกลายเป็นว่าเดี๋ยวตัวเราจะได้อะไรมันพลาด น, น, นั้นเนี่ยพลาดมหาศาลเลยลคือตัวเราจะถ้าผมแค่รู้อย่างอาจารย์ว่าได้นะผมจะบรรลุนิพพานเลยเห็นไหมแล้วจะบรรลุได้ยังไงมันไม่มีหรอกเพราะมีแค่รู้แต่ตะวันรู้ นิพพานคือถ้าแค่รู้สัตว์ตะรู้แล้วคุณก็ไม่ทุกข์ไม่มีกิเลสอะไรนั่นแหละคือนิพพานแต่เราเข้าใจผิดเราก็ใจว่านิพพานมันคือสภาวะอะไรสภาวะหนึ่งแล้วก็มีตัวเราเนี่ยจะไปได้สภาวะนั้นเราเข้าใจผิดแล้วเพราะว่าถ้าแค่รู้ก็คือก็แค่รู้แค่รู้ไม่ไปยึดอะไรมันก็ไม่ทุกข์เม่ไปยึดอะไรมก็ไม่มีกิเลส น, น, นั่นแหละเขาเรียกว่านิพพานนิพพานจึงไม่ใช่ว่ามีสภาวะแล้วเด๋ยวมีตัวเราเนี่ย ไปได้สภาวะที่ไม่ยึดมีตัวมีสภาวะที่หลุดแล้วเดี๋ยวมีตัวเราเนี่ยจะไปได้ตรงที่ไม่ยลุดไม่มีไม่มีสภาวะนิพพานแล้วมีตัวเราไปได้นิพพานแค่รู้เน่ยแน่เพราะสมมติแค่รู้ปัจจบุบันทุกขณะปัจจุบันมันก็เลยไม่ทุกข์กับอะไรอาการมันจะทุกข์ยังไงมันจะเป็นยังไงก็มันก็แค่รู้แค่รู้มันก็เลยไม่ทุกข์กับสิ่งที่มันเป็นในปัจจบุบันคือจิตมันเป็นยังไงสภาวะธรรมในใจเราเป็นยังไงในปัจจุบันแล้วก็ไม่ทุกข์กับมันก็แค่รูู้้เเรรรื่่่่ออยยไไปแนีีาถึงกว สิ้นเยอะสิ้นกิเลสเขาเรียกว่านิพพานไม่ใช่ว่ามีสภาวะแล้วเราแค่รู้แล้วมีสภาวะเดี๋ยวเราจะไปถึงนิพพานโดยรุ่นาไม่ใช่เราแค่รู้เนี่ยสัพพารู้นี่แหละเป็นอมตะ